สองคนนั้นเนี่ยเห็นเข้าก็เลยลุกหนีคนเมาเนี่ก็เตะนะเตะหลังแต่ว่าไม่โดนแล้วก็ทำท่าจะอรารวาสนะกับผู้โดยสารนะในรถไฟฟ้าซึ่งนานๆจะเจอแบบนี้สักครั้งนะอันหนุ่มอเมริกันคนนี้เนี่ยแกเห็นแกก็ไม่พอใจแล้วก็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 คนแก่คนหนึ่งอายุสักเจบได้นะเรียกคนเมาคนนั้นยิ้มให้แล้วก็กวักมือให้เข้ามาหามันก็เข้าไปนะพอ เ, เข้าไป ใ, ใกล้เนี่ชายแก่คนนั้นก็ถามว่าไปกินอะไรมาไปกินสาเกมาใช่ไหมสาเกนี่คือเหล้าะนะหนุ่มมันก็บอกใช่แล้วมันเรื่องแะไรแก่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 พอเมาแล้วคุมตัวคุมอารมณ์ไม่อยู่ก็เลยอาละวาดแต่พอชายแก่นี้พูดให้กําลังใจปลอบใจนี่หนุ่มคนนั้นก็ไปนั่งก็ไปซบตักเลยนะเอาหัวนี้ไปซบตักเลยเหมือนกับเป็นเด็กตัวเล็กๆ เ, เหมือนกับแมวที่เชื่องมันตรงข้ามกับเมื่อสักครู่เลยนหนุ่มอเมริกันคนที่เห็นในการนี้ก็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 คนที่แข็งกร้าวก้าเร้าวเนี่ยมักจะเป็นอย่างนั้นนะชายแก่คนนี้เนี่ยแก่เข้าใจมนุษย์ดีนะว่าเบื้องหลังความแข็งกร้าวเนี่ยหรือข้างหลังความแข็งกล้า ว, ค, ว, าาวคือความอ่อนแอซึ่งต้องการความรักความเข้าใจหรือว่าเพียงแค่เอาความอ่อนโยนไปสัมผัสเนี่ยมันก็หมดพิษสงลงไปไม่ต้องใช้กำลังไม่ต้องใช้การต่อก่อนนะอย่างที่ หนุ่มอเมริกันนั่นคิดนะบางครั้งเนี่ยเราไม่ค่อยเห็นนะไม่ค่อยตระหนักว่าความอ่อนโยนนี่มันมีพลังนะความอ่อนโยนความนุ่ม น, นวลโดยเฉพาะที่ออกมาจากความรักความเมตตาความเข้าใจมันไม่ใช่เป็นความอ่อนแอแต่เป็นความแข็งแกร่งนะที่มันสามารถที่จะกำราบ หรือว่าชนะใจความแข็งกร้าวได้นะคนทั่วไปเมื่อคิดว่าถ้าแข็งมาเรากต้องแข็งไปนะแรงมาก็แรงไปแต่ไม่ตระหนักว่าไอ้ความแข็งกร้าวนี่มันแพ้ ม, แพมันแพ้ทางนะมันแพ้ทางสิ่งที่เราเรียกว่าความอ่อนโยนความรักความเมตตาอันะที่จริงเนี่ยเวลาเจอคนเี่ย อ, อไวยวายเนี่ย ไม่ต้องทำอะไรมากก็ได้นะเพียงแต่นิ่งโดยพอเวลาที่มาเอานะเวอวายนใส่เรามีครูคนหนึ่งเนี่ยนะเป็นครูโรงเรียนมัธยมเห็นเด็กคนหนึ่งเนี่ยไม่มาเรียนเลยนะขาดรีบไประจำก็เลยไปเรียกมาให้มาหาครูนะที่ที่ห้องพักครู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 วอยวายใส่ side, หรือไม่ก็ไปเรียกนะรอปพมาจัดการเพราะว่าวัยรุ่นคนนั้นนี่ถ้าทางจะน่ากลัวนะแต่ครูคนนี้ตั้งสติได้แล้วก็นิ่งแล้วก็รอให้นักเรียนคนนี้สงบลงพอครูนิ่งสักพักนะักนเะรียนซึ่งเออะวอยวายอาวาก็เริ่มสงบแต่ก็ยัง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 วยวายถ้าเราไปใช้กำลังกบาเขาก็ต่อสูนะ้แต่ถ้าว่าเราลองใช้ความนุ่มนวลความความอ่อนโยนนะกับอารมณ์เหล่านี้เนี่ยมันก็สามารถสยบได้ท่านติณฑันนะท่านเป็นพระชาวเวียดนามซึ่งนะได้รับความเคารพนับถือมากนะคนไทยนี่มีสานุสิ์หรืออ่านงานของท่านตินันนี้เยอะมาก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 จัดการกับอารมณ์นะโกรธเศร้านะด้วยการพยายามกดข่มมันเอาไว้นะเพราะว่าในที่สุดเนี่ยก็จะเครียดยิ่งขึ้นนะก็จะงุดหงิดมากขึ้นนะมีพาพรูปหนึ่งเนี่ยท่านตั้งใจปฏิบัติมากนะหลวงพ่อเขียนเล่าอย่างต่างตั้งใจปฏิบัติเดินผ่านไปก็เห็นท่านเดินจงกรม เดินกับไมคทีก็ยังเดินจงกรมอยู่แต่ว่าหน้าดําค่ําเคร่งมากหน้าดําค่ําเครียดนะพอเดินผ่านอิชิกบว่าไม่ได้เดินจงกรมแล้วนั่งแล้วก็เอารองเท้าแตะฟาดหัวตัวเองแล้วก็บ่นว่าทําไมมันคิดมากเหลือเกินทำไมมันคิดมากเหลือเกิ น, ม, ม, น, ม, กกนมันไม่หยุดสักทีนีอันนี้พ อ, อะไรนะเพราะว่าท่านพยายามที่จะไป บังคับควบคุมความคิดไม่ให้ไม่ให้มันคิดฟุ้งซ่านแล้วก็บังคับอย่างไรมันก็ไม่ยอมอยู่ใต้อำนาจความคิดเนี่ยหรือจิตใจเนี่ยพอมันไม่ยอมนะก็ยิ่งโกรธยิ่งโมโหพยายามจเจาชนะมันให้ได้พยายามกดข่มหนักเข้าไปใหญ่แต่มันก็สู้มันก็ต้านแล้วมันก็ยิ่งปวดมากขึ้น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 คลอเคลียรนะ์กับมันอะไรที่ไม่ชอบก็เข้าไปใช้กำลังจัดการผลักสายมันไปมันก็ยิ่งทำให้เป็นทุกข์มากขึ้นนะในช่วงที่เราปฏิบัติเนี่ยนะยิ่งถ้าเราปฏิบัติทั้งวันเนี่ยมันก็จะมีอารมณ์ที่ไม่น่ารักอารมณ์ที่เป็นตัวเกเรนแวะเวียนเข้ามาเราไม่ต้องทำอะไรนะ ก็แค่ดูมันเฉยๆหรือว่าบริกรรมด้วยคําว่าช่างมันก็ได้ช่างมันช่างมันมันจะฟุ้งซ่านก็ช่างมั น, นดอยวเข้าไปตอกกร อ, อะไรกับมันนะหรือว่าจะใช้วิธีการแบบท่านติดนัทธันคือใช้ความรักให้มีความเมตตาสงสารอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับใจของตัวหรือเวลาใจมันปั่นป่นปวดมากๆก็ให้มี เมตตากรุณานะกับจิตใจเหล่านั้นก็คือเมตตาตัวนั่นแหละนะเมตตาตัวเอง น, นะตต อ, งนะอันนี้ก็เป็นสันติวิธีแบบหนึ่งนะสันติวิธีนี้ไม่ได้ใช้กับผู้คนแวดล้อมที่มาเกี่ยวข้องกับเราไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานนะหรือว่าคนที่ไกลออกไปสันติวิธีนี้ยังใช้กับ จิตใจหรืออารมณ์ ต, ต่างๆที่เกิดข้างในด้วยนะพุทธะนี้ไม่สาบสูญการใช้ความรุนแรงนะกับเพื่อนกับคนกับสิ่งของกับสัตว์นะศา ส, สนาพุทธที่เป็นสาสนาองการไม่ใช้ความรุนแรงไม่ใช่เฉพาะกับสิ่งภายนอกเท่านั้นแนะม้แต่กับสิ่งภายในเนี่ยเพราะว่าถ้ารุนแรงแรงมามันก็แรงไป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 ก็เลยไม่รู้ว่าที่จริงแล้วเนี่ยมีเยอะมีคนมาปรึกษาตมามากนะแต่แล้คนก็คิดว่าตัวเองเนี่ยเร็วแย่มากเหลือเกินทําไมถึงมีความคิดเร็วเลแบบนี้นอยู่ในหัวเราก็ทุกข์มากนะว่าทําไมคนดีอย่างเราถึงมีเสียงจ่วงจาบพระรัตนตรยัยหรือว่าหยาบคายกับพ่อแม่หรืออาจจะอ า, อาจจะกับครูตทั้งที่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 ไม่ต้องไปทำอะไรกับมันนะแค่นี้แหละเพียงแค่รู้ว่ามันมีอยู่แล้วก็มันจะมาก็มานะความนิ่งของเราเนี่ยที่มีต่อความคิดเหล่านั้นเนี่ยในที่สุดก็จะทำให้มันค่อยๆหายไปค่อยๆจางหายไปจากจิตใจของเรา อันนี้ก็เรกเป็นสันติวิธีแบบหนึ่งนะเป็นการใช้ความสงบนะจะถือว่าเขาเป็นอาคันตุกะ ก, ก็ได้ที่มาเยี่ยมเยียนบ้านเราเป็นครั้งคราวคนที่เข้ามาในบ้านเราเนี่ยถ้าเรายิงไล่เนี่ยเขายิงตื่นนะแต่ถ้าเราบอกว่าเออจะมาอยู่ก็อยู่นะ แล้เราก็ไปทำอย่างอื่นแต่เราก็ไม่ได้รังเกียจเขาพอทำแบบนี้เข้าเนี่ยเขาก็ค่อยๆเดินกลับไปเองหรือว่าเราจะลองทำใจเป็นมิตรอารมณ์หรือความคิดเหล่านี้ก็ได้นมันก็มีคนที่น่ารักและไม่น่ารักแต่ถ้าเราลองเป็นมิตรกับเขาโดยเฉพาะคนที่ไม่น่ารัก เ, เขาก็จะกลายมาเป็นมิตรกับเรา พอเราปฏิบัติกบเขาอย่างอย่างมิดนะเขาก็กลายเป็นคนที่รู้จักเกรงใจเขามาอยู่บ้านเราดูสักพักเขาก็รู้ว่าเอออยู่นายไปละได้เวลากลับละไออารมณ์ต่างๆเนี่ยนะที่ไม่น่ารักนะที่น่าระอาหรือว่าสร้างความปัน ป, นปวนก่อกวนเนี่ยบางทีก็เป็นอย่างนั้นนะให้เราลองรู้จักใช้ความ นุ่มนวลดูบ้างหรืออย่างน้อยๆก็ทำอย่างที่หลวงพอ่อเทียนหลวงพ่อเขียนว่าคือรู้เฉยๆนะรู้เฉยๆแต่ไม่ใช่รู้แบบจ้องนะบางคนไปไปจ้องมันนะถ้าจ้องมันนี่ก็อาจจะโดนมันล่อหลอกนะหรือว่าถูกยั่วยวนยั่ว ย, ว ย, วยวุจนทนไม่ไหวต้องเข้าไปรมรันพันตูนะก็แค่ปล่อยเข้าไปนะ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 มันสั่งให้ด่าก็ด่ามันสั่งให้ทำร้ายคนก็ทำร้ายนั้นไม่ใช่เรียกอ่อนอ่อนแต่ขณะเดียวกันก็ไม่ได้เป็นปฏิปักษ์ต่อสู้หรือว่าใช้ความรุนแรงกระทํนะกับอารมณ์เหล่านั้นมันมีทางสายกลางอยู่นะไม่อ่อนอ่อนคล้อยตามแต่ก็ไม่รุนแรงใส่นะไอตรง ก, กลางนี่แหละมันยากเสมอแต่ถ้าทาได้จะมีอนิสงส์มาก